สะดวกเราก็เรารู้จากแผนที่ในการเดินทางเราก็ยึดแผนที่เอาไว้ตรงไหนเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นอย่างไรจะต้องไม่เสียเวลาการปฏิบัติก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางทีก็หลงบ้างไอ้ข้องติดอยู่กับความหลง เวเวลาก็มีบ้างเป็นบางโอกาสก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่ยก็พอรู้จักทิศทางที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกจึงอาศัยคําพูดเป็นส่วนประกอบพูดก็พูดให้ผู้ปฏิบัติฟังจึงแก่รู้เรื่องแต่พูดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง เป็นเราจเจริญสตินะีผู้ที่จเจริญสติก็ต้องรู้จักสติสติเป็นในกายในสติอยู่กับกายโดยที่มีสติอยู่กับกายก็คงจะรูจ้จักเมื่อมีสติเข้าใจรู้จักความหลงเมื่อรู้จักความหลงก็รู้จักแก้ให้เกิดสติเาแก้แได้หลงบ้างแก่บ้างรู้บ้างหลงบ้างเห็นหลงเห็นรู้ มังกับประตูปิดเปิดแต่มันหลงก็รู้ได้แต่มันทุ ก, ก็รู้ได้อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวหัดมีสติความรู้สึกตัวเข้าไปเจี่ยวข้องบางทีปฏิบัติมันตึงมันเครียดรู้จักให้รู้จักความพอดีตึงเพื่อจะหย่อนหย่อนเพื่อจะตึงมันอยู่พอดีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบการปฏิบัติของ รัฐบาลเห็นชาวเมืองเดนลีทุกคนตอนเหนือของประเทศเินเดียร้างความเพียรเดินจนเท่าแตกถาไม่ใช่รัฐบาลโสนะนะโนกรลิวิตะเอาน่องเดินน่องก็แตกเอาปลายเท่าเดินปลายเท่าก็แตกเอาข้างเท่าเดินข้างเท่าก็แตกลอยเดินจนเป็นเลือดก็ไม่ได้บรรลุธรรมร้องไห้คงหมดโอกาส ลาศึกขาไปทำบุญทำทานเอาโสนานี่เป็นนักดนตรีแต่ไมเป็นนุมพ อ, อมาลาศึกขาจากพระพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามโสนาเธอเป็นทรงดนตรีเล่นดนตรีใช่หรือเอา่าใช่าสายพินของเธอ ตึงเกินไปจะเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าขาหย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพาะเพ ร, ะ เ, พระเจ้าขาเธอจะทํำยังไงจึงจะได้เสียงพอดีพอดีก็ต้องเอาพอดีมาทำการปฏิบัติธรรมของเธอก็เหมือกันต้องพอดีต้องมีความพอดีตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ประสบการณ์เราเองอันที่มันจะตึงอันที่มันจะหย่อน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 ให้รู้สึกว่าเรามาเจริญสติบางทีเราก็หาความคิดมาเอาเหตุผลคิดเา่าหาคาตอบจากความคิดบางทีก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาเจริญสติไม่ใช่ความคิดหาคาตอบจากความคิดใช่สมองไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมต้องมีการกระทำต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวตัอรู้สึกตัวเด่ย ถ้าจะตอบก็เป็นตัวเฉลยไปแล้วเข้าข้างความรู้สึกตัวไหวเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้อย่าหาคำตอบจากเหตุจากผลจากความคิดอันนั้นไม่เอาไม่เอาจิงริงเอาการกระทำสร้างสติเอาแม้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราให้มีสติเสียก่อนให้มีสติเสียก่อนสติจะเป็นผู้ที่เฉลยไปเอง นม่จะเกิดปัญหาอย่างไงก็ตามสม่ว่าเราเดินมันปวดมันเมื่อยบางทีคิดจะนั่งนั่งดีกว่าเอาความคิดผ่าทาที่นั่งอยู่คิดจะลุกลุกดีกว่าเอาความคิดผ่าลุกผ่านั่งอย่าให้ความคิดสั่งงานสั่งการจนเกินไปจะนั่งจะลุกมีความรู้สึกตัว เราจะลุกของเราเองเราจะนั่งของเราเองเราจะนอนเราจะตื่นเราจะมีความเพียรแต่เหนื่อยนักเมื่อยล้านักก็พักผ่อนได้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีกำลังอันทีอดหลับอดนอนไม่ได้นะอดข้าวอดน้าก็ไม่ได้การปฏิบัติธรรมต้องมีความพอดีพอดีกับชีวิตของเรา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 นั้นจะอยู่ือความพอดีของแต่และโอกาสบางทีถ้ามันฮ่วงก็อาจจะทำจังหวะเข้มแข็งสักหน่อยใส่ใจลงไปบางทีมันรู้สึกตัวก็ไม่ตรงไ้ทำเบาเบาเบาเบ า, เบ า, เบาวางมือวางกายทำกายสะพางกายเบาเบ า, เบาอย่าไปกดไปกึงความรู้สึกตัวมันเบี่ยงพอดีพอดีอดใส่ความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหว อย่ามีอะไรบังคับอยากลูอยากเห็นก็ไม่เอาเจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้เจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องไปเอาไปทำอะไรลูไปก่อนมันไม่ต้องเอาพริกเมื่อขึ้นมาก็ลูอยู่แล้วจะไปหาอะไรอื่อนไว้ไปมามันก็ลูอยู่แล้วจะไปเอาอะไรไปอยากอะไรความรู้สึกตัวที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่ความอยากแล้วจึงทำไม่ใช่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 ไม่ต้องมีความอยากได้ขุดไปคนหนึ่งขุดเพื่ออยากได้เงินทั้งอยากได้โูจะเอาให้ได้กคจะได้เงิน70็ดสบาทกูจะได้เงินเจ็สิบาทโอ้กูต้องขุดเดินกูจะได้เงินเจ็ดสิบาทมันสิ้นเปืองพลังงานทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งเกียรติด้วยคนหนึ่งก็ขุดด้วยความสนุกสนานร้องเพลงไปขุดไปไม่ต้องไปยุ่งไปยากไม่ต้องไปอยากเลยขุดไป พอเสร็จหลุมหนึ่งข่วงเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดมันก็ได้เงินเจดสิบาทเช่นเดียวกันการทำใดๆก็ตามบางทีต้องรู้จักใช่กายใช่ใจของตนให้เกิดกวาพอดีแม้จะกวดบ้านกวดบ้านบางคนก็อยากขี้เกียจขี้คลาดกวดบ้านแล้วความยากกวดบ้านแล้วความขี้เกียด ก็มอดคด็ขอ ด, ดไปเฉยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปไม่ต้องไปเอาความยากไปต่เอาความยากความง่ายไม่ต้องไปเอาอะไรที่มีเหตุมีผลคนนั่นทําให้โลกลวงหลังคนนั่นไม่ช่วยคน ด, ดีคนนั่นไม่ดีไม่เอาเป็นกิริยาที่กวดบาดกิริยาที่แสดงออกมีสติลงไปไม่ใช่เป็น ความยากควบมง่ายอยู่กับการกวาดบ้านถูเหลือนทําอะไรก็ตามลองมีสติลองดูชีวิตจะพอดีพอดีชีวิตจะนิ่มนวลพอดีได้จังหวะพอดีใชจกายใชใใ จ, ใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจพอดีพอดีมันถูกต้องแล้วควบพอดีนะไม่เรีบไม่เล่งไม่อะไรมาเกี่ยวข้องมากมว่าโดยเฉพาะทําความเพียรไหนมันเป็นความพอดีอยู่แล้วนะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนกายไหวเนี่ยอย่าไปหาอะไรอีกเอกมือขึ้นก็รู้แล้วโอ้เรามาสร้างตัวรู้เน่ยเนาตัวรู้นี่ตัวรู้นี่เออทำไมเราปฏิบัติทำไมปฏิบัติไม่ได้หรือไม่เห็นมีทุกตรงไหนไม่ได้เบียดเบียนตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอา้าวคิดไปแล้วไม่เอา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 สติจับตามาใช่สติจับหูมาใช่อะไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงกายใจเป็นคลังของสติสติเป็นเจ้าของนั่นปลอดภัยระบาดแล้วไม่ไม่ภัยแล้ ว, วเป็นอย่างไงชีวิตเรากายอะไรเอาไปใช้ความคิดเอากายไปใช้ความหลงเอากายไปใช้จิตใจอะไรเอาไปใช้ความคิดในจิตมันก็คิดไปเอง คิดขึ้นมาเองเก็บปวดเองคิดขึ้นมาเองโกรธเองคิดขึ้นมาเองทุกเองคิดขึ้นมาเองรักชังเอาเองมันความหลงเอาไปใช่ใช่ผิดผิดอะไรเอากายเราไปใช่อะไรเอาจิตเอาไปใช่ครึ่งบาปครึ่องบุญวันนี้เราพยายามสร้างความรู้สึกตัวนี่ให้มีความรู้สึกตัวหัดใช้เอากายเอาจิตมีสติอยู่ด้วยกันสามอย่าง แต่ว่าทำใหม่ๆอย่าไปยุ่งกับจิตแมน้นจิตที่มันแสดงอะไรก็ตามเอาไว้ก่อนเข้าข้างกายไว้ก่อนพลิกมือขึ้นรูส้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับจิตอย่าไปยุ่งกับความคิดเหตุผลอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันจฉลี่นิสัยเราเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่มีจะเป็นจฉลี่แบบไหนก็ตามถ้าเจริญสติแล้วหรือว่าชอบแล้ว ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตสติอย่างเดียวบางคนว่าโทสะจริตต้องแผ่เมตตาราคะจริตต้องมองอสุภะกรรมาฐานโมหจริตต้องเจริญพุทธานุสติอะไรมนก็ถทุกเป็นความทุกข์อยู่แต่ว่าการเจริญสตินี่มันเป็นการจับสายบังเหียนของชีวิตเราได้จริงๆ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 คู่กับวิธีอื่นหลายรูปแบบวิธีปฏิบัติธรรมหลายรูปหลายแบบหลายรูปแบบขนาดไหนก็ตามมันต้องเป็นหนึ่งสัจธรรมจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวก่อนมาลุธทรรมจริงๆต้องเป็นหนึ่งเดียวคือหมดทุกนั่นแหะไม่มีหลงนั่นแหละเอา้าตัวหลงมันก็ไม่ยากก็คู่กับความรู้นี่เท่านั่นเอง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 ทำไมจึงทะเลาะวิวาทกันเพราะความหลงเป็นเหตุเอาไปเอามาตัวหลงนี่แหละเป็นมารดาของอกุศลธรรมทั้งหลายเรามาสร้างสติสมน้ำสมเนื่อกันเลยความหลงที่เกิดขึ้นกับกายความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตความหลงที่เกิดขึ้นกับตากับหูกับลูกรถยินเสียงเราต้องฝึกเอาไว้ถ้าไม่หลงตรงนี้เราไม่หลงเลยอันเดินก็ออันเดินก็สงบไปเลยสมรวมไปเลย แม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาแม่ต้องไปหนีผู้หนีคนใช่กายใช่ใจเรานี่มันแม่นยําชัดเจนลงไปมันก็พอใจจริงๆนะนี่มือเราปิกมือขึ้นดิกเมื่อมันใส่รู้จริงๆรู้จริงๆเมื่อมันหลงไปกลับมาได้จริงๆเอาไปเอามาตัวหลงเลยมันเป็นการถึงอกถึงใจได้รู้เมื่อเวลามันหลงถึงอกถึงใจจริงๆ มื่อกล่าได้ช่วยลูกเวลามันจะตกบ้านตกเรือนช่วยไว้ทันจับขาจับแขนไว้ทันโอ้ไม่ฝีมือตอนนั้นนะมันะ่นใจจริงๆนะหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายกับน่องนะน่องหลวงพ่อเป็นเด็กนะเอาควายไปลงน้ําล้วเราก็ยังถอดเสือ้อถอดผ้าไม่ได้พอน่องผ้ามันก็ไม่นุ่งอะไรมากมันก็โดดลงไปก่อนหลวงพ่อเลย พวว่อครัวจะถอดเสื้อผ้าเลยโลดลงไปตามน้องลงไปน่องจมปอดพอดอยู่กลางห้วยเนาะโลดลงไปไปจับน้องอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมามันสำลักน้ำหอบน้องขึ้นพฝังห้วยชันชันไงทุลักทุเลโอ้ยไม่คิดทุกทุกวันเลยแต่ถ้ากูไม่มีตรงนั้นน่องกูต้องตายแน่ๆภูมิใจภูมิใจการช่วยคนอื่นการช่วยตัวเอยงยิ่งภูมิใจนะ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 แม้แต่การเกิดการแฉ่การเจ็บการตายก็ตรงนี่เหมือนกันเอาไปามามันก็ไม่แม้ไรชีวิตของเรานะถ้าเราไม่รู้ตรงไหนเจ็บก็เจ็บหมดเนื้อหมดตัวตายก็ตายแฉกก็แฉกเกิดก็เกิดเกิดดับเกิดดับชีวิตของเรานะมันเกิดดับอยู่บนความหลงนี่แหละความเกิดมันต้องเกิดตรงนี้ก่อนถ้าไม่หลงมันไม่เกิดหอก ความรู้สึกตัวเป็นการคุมกําเนิดของสังขารทั้งหลายมันไม่เกิดนะก่อนที่จะลรบวิวาดกันก่อนที่จะไปหลงไปอะไรกันมันต้องเกิดตรงนี้แหละกําเนิดมันอยู่ตรงนี้ตรงภาวะที่หลงเนี่ยชอวิตเราน้อยๆมีประตูน้อยๆปิดได้ด้วยมือเราถ้าจะเป็นนรกก็ปิดตรงนี้ถ้าจะเป็นเปรตก็ปิดตรงนี้เป็นอสุรกายก็ปิดตรงนี้นะมืนกับ เรื่องอะไรที่ว่ามีคนตายไปผ้าตายไปเท่นั้นเท่านี่เกิดมาไปเห็นนรกเท่านั้นไปเห็นสวรรค์อย่งางนู้นทนี้นโอ้ถูกของเขาเออถูกถ ก, ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่ไม่ต้องรอโอ้ตายไปแล้วจังจะได้ไปนู้นไปนี่ไม่ใช่แม้จะเป็นสวรรค์ในฝานก็เปิดประตูให้ตัวเองเดียวแน่น รู้สึกตัวเดี๋วนี้รู้สึกตัวเดียเด๋ยวนี้เย็นเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อย่าง น, นี้นะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังเป็นปัจจุบันถ้าสิ่งไหนไม่เป็นปัจจัตตังไม่ใช่หรอกต้องรู้เดี๋ยวนี้รู้ได้เฉพาะตนเดี๋ยวนี้เออมันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วได้ที่ได้ทางได้ที่ได้ทางไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้ว ปัจจตังอยู่ตรงนี้ได้ที่ได้ทางได้ที่อยู่เรียกว่าวิหารธรรมท่า จ, จะว่าแล้วในการปฏิบัติธรรมทำเท่านี้แหละทำเท่านี้หรือหลวงพ่อรำเท่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านี้นะความรลภสสกตัวมันเคยลายเป็นศีลแล้วรักษาศีลแล้วความรลภสสกตัวมันเคยลายสมาธิแล้ว ความรู้สึกตัวมาคืนอะไรปัญญาแล้วคำสอนทั้งหมดรวมรงที่ศีลสมาธิปัญญาศีลช่วยแล้วสมาธิช่วยแล้วปัญญาช่วยแล้วจนไม่มีปัญหานะ่ะความรู้สึกตัวพาให้ไม่เป็นอะไรไม่มีไม่เป็นกับอะไรความรู้สึกตัว ไ, ได้ที่ได้ทางเป็นอริยรัพเป็นทรัพสมบัติที่ติดต้อยห้อยตามเราไปทุก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 ยอมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิดนสมีความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราตื่นแต่ดึกสึกแต่ น, นมอย่างนี้แหละอย่ารอให้เท่าให้แจกชีวิตของเราต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีตรงนี้เสียชราจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างได้นี่นะไม่ใช่สร้างไม่ได้นะเราจึงเพียนสักหน่อยก่อนประสบการณ์สักหน่อยว่าเราทําวันนี้ มันไม่ใช่วันนี้ต่อไปมันจะได้อีกวันต่อๆไปวันต่อๆไปเพราะมันติดนะมันเป็นตรานะเราเคยเจริญสติอ๋อไม่รู้อะไรวันนี้ต่อไปว่าจ ะ, จะเจริญปุ๊บชั่วลัดเนมือเดียวก็ได้จวนเจียนเข้ามาสมมติคนใกล้จะตายนะอะไรก็ช่วยไม่ได้แร้วพี่น้องก็ช่วยไม่ได้แล้วเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวด อะไรก็ไม่ไหวล้วก็กลับเข้ามาหาตัวนี้ได้นิพพานตอนใจจะขาดห้านาทีก็ได้จะว่าไงแล้วคนไม่ฝึกเน่ยหลงแล้วนะมืดมนไปเลยเคยไปช่วยคนใกล้จะตายให้รู้เรื่องเลยบางคนบอกให้มีสติก็ไม่รู้รเลยเลยแต่ถ้าคนเคยปึกเน่ยก็เคยเคยไปช่วยเพียงแต่เอามือไปจับมือในรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหม นอนคลางร่งองอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเลยไปจับมือรู้สึกตัวไหมประตู้เอารู้สึกตัวไหนมือข้างซ้ายอยู่ไหนพิกดูเขาก็พิกมือข้างซ้ายไหนมือข้างขวายู่ไหนพิกมือข้างขวาดูเขาก็พิกมือข้างขวาให้ดูเอาพระตู้อยู่นี่นะเพิกมืออยู่นี่นะพอบอกให้พิกมือเขาก็หยุดร่องทันทีพิกมือสองสามรอบนอนหลับโอยไม่ร่องเลยไม่ปวดเลยเนี่ยมัน ถล่มเข้าไปได้นะอย่าประมาทแม่บุญเนี่ยน้อยก็อย่าประมาทมันมีมันช่วยเราได้บาปก็น้อยก็อย่าประมาทเราจึงฝึกว่ายามสงบเราฝึกยามศึกเรารบจําเป็นมากๆการเจริญสติเพราะทุกวันนี้เหตุปัจจัยที่ให้เกิดความหลงมากกว่าสมัยก่อนเราไม่ีเพื่อนไม่มีมิตรมีลูกเป็เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมากมา วัตถุที่ทําให้เกิดความหลงเมื่มากสิ่งที่สร้างให้เกิดความหลงมากแม้แต่ใบหน้าเราเขาก็สร้างให้เกิดความหลงของอยู่ของกินก็สร้างให้เกิดความหลงมากมายอากาศขึ้นส่องฟ้าเขายึดไปเพื่อให้ผิดความหลงข้อมูลข่าวสารต่างๆมาทางดาวเทียม มาโผบนหน้าบนตาของเราทำให้เราได้ข้อมูลผิดๆเยอะๆอย่างลูกหลานเราทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนคนมีลูกทุกวันนี้ไม่เหมือนคนมีลูกสมัยก่อนคนมีผัวมีเมียทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนคนมีผัวมีเมียสมัยก่อนแมนบ่กพ่อตู่พ่ยกเนาะหลุนพวกเข้าเกสสิบกว่าปีเนี่เนาะแต่ก่อนท่านพ่เป็นคือคนเสมอเดี๋ยว้เนาะลูกเต้าก็ไม่เหมือนคนทุกวันนี้ เวลาจินข้าวเย็นแล้วเอาหอมานอนกายขาพ่อขาแม่ให้พ่อแม่เล่าเนธานให้ฟังแต่นี่เขาไปนั่งอยู่ต่อหน้าจอทีวีก็ไม่มาหาพ่อหาแม่แล้วก็ได้ข้อมูลอะไรผิ ด, ผ, ดผิดไปแล้วยาไปหมดเลยแล้วก็ไม่เหมือนคนโบ ร, ราณเป็นคุ้มเป็นควงพี่น้องลูกเตา อ, อยู่บ้านรอบข้างพ่อข้างแม่เดี๋ยวนี่เป็นอย่างไร เป็นกคำผ้าลูกเป็นคำผ้าพ่าพพอแม่ไปคนละทีศละทางจิตใจก็ไม่ค่อยจะดีไปตกกังวอลหลายอย่างทุกวันนี้หัดตะวัน้ับปิดหัดตะว้แต่ลูกตรงนี้สิแล้วเนี่ยโอ้ยพึ่งกันได้จริงจริงไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นอะไรอีกต่อไปแล้วต่อเป็นความรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียเราก็เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้ว รักกันจริงๆก็เป็นคนดีเป็นคนดีของผัวเป็นคนดีของเมียเป็นคนดีของพ่อเป็นคนดีของลูกเป็นคนดีของเพื่อนแล้วรักกันจริงๆเป็นคนดีไม่มผิดศีลไม่ผิดธรรมนะความรักจริงๆมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รักโดยความคิดหง are are อยอะไรอะไรอาวอนอนันไม่ใช่ความรักมันหลงรักคิดถึงจนนอนไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่ัก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 โลดเชิดตัวกลับขึ้นมาได้เจ้าเลยทีเดียวโอ้มันไประน้อเนี่กลับมารักษาปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกายใจของเราดูแลให้คุ้มรักตัวเองก็ต้องอยู่กับตัวอย่างนานๆมีสติอยู่กับกายกับจิตนานๆ น, น, นี่คือความรักนะถ้ากายใจสติอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยโอ้ตรงนี้เลยไม่เกิดไม่เจ๊ไม่เจ๊ไ ม, เจ ไ, มเจไม่ตายตรงนี้แหละ นานเท่าไหร่มันไม่ค่อยนานไปแล้วกลับมาตอนที่กลับมาเนี่ยนะมันจะเก่งนะถ้าไปแล้วไม่กลับนไม่เก่งนะมันจะเก่งตอนรู้จักกลับมานี่แหละทุกครั้งที่มันหลงไปกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้โอ้ปฏิคือกลับแบบไหนปฏิคือกลับตั้งไว้ที่เก่าตั้งไว้ที่เก่าอ๋อมันจะคิดอะไรได้หรือหลวงพ่อไม่ให้คิดอะไรโอความคิดมันมีตั้งใจคิดนั่นนะสติปัญญานั่นแหละ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 อาศัยในเมตเป็นัจจุบันเหมือนเวลานี่ถ้าจะเปรียบชีวิตเราเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าต้องไม่หลักกาะเอาไว้เดี๋ยวมันจะพัดลงไปกาะเอาไว้กาะเอาไว้มันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปเราก็ทวนไว้ทวนไว้พระพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยการทวนแบบนี้ทวนกระแสแบบนี้กาะเอาไว้กาะเอาไว้พระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดถาดทอง ฉันข้าวนางสุชดาแล้วเสียงถาถ้าจะได้ตัดชลูเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานขอให้ถาดทองไปในไหลทวนกระแสน้ําำตามมาได้เป็นพรธเจ้ามาได้ตัดชลูขอให้ถาดทองไปในไหลไปตามนะ้าอันนั้นเป็นปุกราธิฐานถาด ท, ทองคือชีวิตจิตใจเนี่ยเป็นภาชนะรองรับลถของพระธรรมรูดสึกตัวรูดสึกตัวทวนแล้วว่ทวนแล้วว่ายให้มันเป็นปัจจุบัน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 ชาติสิ้นแล้วพรห ม, มจรรย์จบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทําะไรไม่อีกแล้วปานนั่นนะการเจริญสติจในปานนั่นแหละมันติดอย่าประมาทหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็เออมันก็ติดของเรามันเป็นตาอยู่เคยทําแบบนี้เคยทําแบบนี้พลิกมือบางทีเรานั่งรถไปอาจจะคิดเ อ, อินไปทัวที่ทิศทั่วทางกลับมากะเด็กนิว่วลู่สึกตัวเวลาอยู่กรุงเทพรถติดก็ไปบน่นเออมันล้นมัน ล, นล้มันติดทําไมทําไมอา้าวกลับมาลู่สึกตัวกลับมาลู่สึกตัว เด็กนิ้มือรู้สึกตัวเวลาทํางานมากๆเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะรีบมากๆกับรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวลงไปได้พักผ่อนรู้สึกตัวที่ใดได้พักผ่อนไม่สิ้นเปลืองพลังงานความรู้สึกตัวพักผ่อนสุขภาพก็ดีสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสุขภาพแล้วนี่เขาเขาได้หลักแล้วนะหลายหลายประเทศ เขาได้หลักกิจใจเขานิ่งนะคนเป็นโรคบอนเลงเ น, นี่นียงอย่างเดียวนิ่งกิจใจอย่างเดียวรักษาโรคเนิ่งถ้าเรายิ่งพวกเราเป็นหมอช่วยเขาได้ด้านจิจใจนิ่งเอาไว้จับนิ้วมือบีบนิ้วมือนเนียงให้เขานิ่งอไม่เป็นไรนะเนิ่งไว้ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาฟัง เดี๋ยวหมอจะช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนหน้าหิ้วม า, าจับมือเพื่อนเป็นไงเพื่อนไม่เป็นไรนะอะคําว่าไม่เป็นไรไหยมันบอกตัวเองก็ได้บอกคนอื่นก็ได้อาศักิริยามาร ย, ยาทคําพูดจาปา่าใสลักษณะทา่าทางของคนมีสตินะไม่สิ้นเปลืองถ้าคนไม่มีสติลูกขื้นลูกล้นหน้าดําครําเครียดกายก็ชิดกายก็กยากลำบาก ใจมันเน่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้ถนอมถนอมชีวิตคิดเนี่ยมันสิ้นเปลืองนะหมกมุ่นคนคิดมันสิ้นเปลืองพลังงานคิดมากๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนก็ห ล, ลงนะก็หยุดะรู้สึกตัวมันก็หยุดทำงานอยู่มันก็หยุดเหมือนอาจารย์พุท ธ, ธว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งๆ ท, ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะมันนิ่งสภาพจิตใจนะเนี่ยเรามาปลุกตัวเนี้รู้แล้วหรือ ว, ว่าเรามาเจริญสติอะไรที่ไม่ใช่สติมันจะแข่งมันจะลู่มันจะไปไหนอย่าไปมันจะสุขก็อย่าไปมันจะลูก่ก็อย่าไปมันจะไม่ลู่ก็อย่าไปเป็นผู้ลู่เป็นผู้ไม่ลู่ไม่ออกลู่สึกตัวลู่สึกตัวเนี่ยตรงนี้ปฏิบัติทำทำตรงนี้ให้แม่นยำชัดเจน ให้ลูกจักตัวอะไรก็ตามรู้จักตัวรูปเบาๆเคลื่อนไหวเบาๆอมยิ้มไว้ในใจเคลื่อนไหวเบาๆคุยทาอยู่นี่แหละมันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละอย่รู้น้อยๆตั้งต้นให้มันดีปฏิบัติทํามันจะไม่ยุ่งไม่ยากถ้าทําด้วยความอยากเดี๋ยวก็จะเห็นเองแหละอยากได้ก็ได้อเดินไปแหละบางทีคิดไปก็หลงความคิดหลอกตัวเองเกิดนิมิตขึ้นมาเกิดรูปขึ้นมา มาดีก็เพ่งลงไปก็เพ่งเท่าไหร่ระวังเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีนะไม่ใช่ระวังนะรู้เนี่ยไม่ต้องระวังน่ะรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวไม่ใช่เคร่งไม่ใช่จ้องไม่ใช่ระวังกลัวมันจะหลงไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าไปกลัวมันจะหลงให้มันหลงลงไปจะได้รู้มันไม่เป็นไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันหลงปั๊บก็รู้มันไม่เสียหายความหลงไม่ทําให้เสียหาย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 สุขความทุกข์เกิดขึ้นถ้ารู้สึกตัวทําให้เลียบไปเลียบไปเอาสิ่งที่มันผิดผิดถูกๆมาลองรอบความรู้สึกตัวทําให้เลียบไปเลียบไปถ้าความรู้สึกตัวผ่านไปตรงไหนตรงนั้นมันกีเรียบหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบมันไม่กวาดไม่กวาดในผ่านไปตรงไหนตรงนั้นก็สะอาดความรู้สึกตัวเหมันเกันรู้สึกตัวตรงไหนมันสะอาดมันเรียบมันบริสุทธิ์อ่าเป็นอย่างนั้นทันที ความรู้สึกตัวทันทีเลยไม่ต้องรอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่รู้สึกตัวเราชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้วสกเกมีพิกข เ, กเวพิกุสัมมาไหายเลยยุง่งอสุนโยโลกโกละหันเตนหิอัศภิกษูทั้งหลายเมื่อเธออยู่โดยชอบมีสติสมชัญญะโลกจะไม่ว่างจากพระละหันพระพุทธเจ้าตัดจากนี้นะอยู่โดยชอบคือความรู้สึกตัวนะมีสติอยู่โดยชอบ ไม่ใช่อยู่สุกตัวไม่ใช่อยู่ตรงไหนยอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราแต่เวลานี้เรามาเป็นกันระยะณมิดก sí. ันอยู่ร่วมกันจริงเราก็อยู่ของเราเองรู้สึกตัวไม่ใช <breakup> <árias> ่อยู่ส mm. ุกตเนาะเราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ได้อยู่สาราหอไตเราไม่ได้ใช่อยู่กติมเไอยู่สาาไก่ไม่ใช่อยู่สาราน้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราอ่าฝันไหนก่อคไหนฟังเนาะ ตำควเจเวปา